จลพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเมื่อใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทศ์ที่28ตุลาคงพุทธศักราช2555เป็นวันที่ท่านทั้งหลายตั้งใจมาวัดเพื่อมาเสริมความสวยความงามของตน ด้วยการทำบุญด้วยการละบาปด้วยการละความโลภความโกรธความหลงเพราะการกระทำทั้งสามประการนี้เป็นการเสริมสวยความงามที่แท้จริงความงามของคนเรานั้นมีอยู่สองส่วนสวยกายกับสวยใจความสวยกายกับความสวยใจนี้ ความสวยใจมีความสำคัญกว่ามีความประทับใจกว่าและเป็นความสวยงามที่แท้จริงและถาวรเพราะไม่เสื่อมไปตามการตามเวลาเหมือนกับความสวยงามของทางร่างกายร่างกายเราก็จะมีแต่ชราลงไปเรื่อยๆแก่ลงไปเรื่อยๆไม่ว่าเราจะเสริมสวยอย่างไร ในที่สุดก็จะไม่สามารถเสริมสวยให้งามได้เหมือนตอนที่เป็นสาวเป็นหนุ่มต้องเป็นไปตามกฎของอนิจจังคือความไม่เที่ยงแต่ความสวยงามทางจิตใจนี้เป็นความสวยงามที่ไม่มีวันเสื่อมคลายเพราะไม่อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังเพราะใจนี้ไม่ได้อยู่ ภายใต้กฎของอนิจจังสิ่งที่ใจสร้างนั้นก็จะอยู่กับใจไปเรื่อยถ้าใจสร้างความสวยงามให้แกใจใจก็จะสวยงามไปเรื่อยเช่ในใจของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายเป็นใจที่มีความสวยงามมากเป็นที่ชื่นชมยินดีเลื่อมใสของคนทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแล้วถึง 2,500 กอกว่าปีก็ตามแต่พระคุณความงามของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ก็ยังประทับใจของสัตว์โลกเสมอพวกเราจรึงควรให้ความสนใจต่อการเสริมสวยความงามทางจิตใจมากกว่าการเสริมสวยความงามทางร่างกาย ทางร่างกายเราก็ดูแลรักษาให้สะอาดให้เรียบร้อยก็สวยงามพอแล้วไม่จําเป็นจะต้องไปใช้พิธีกรรมพิสดารเ mm hmm. ช่น mm hmm. ทําสัญญกรรมตกแต่ง mm hmm. เพราะว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะประทับใจผู้อื่น mm hmm. สิ่งที่จะประทับใจผู้อื่น mm hmm. คือความสวยงามทางจิตใจถ้าเรา ได้อยู่กับคนที่สวยงามทางร่างกายแต่จิตใจไม่สวยงามเราจะเบื่อยะเบื่อได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าการประพฤติไม่สวยงามไม่มีศีลธรรมนั่นเองความสวยงามของคนเราของใจนี้อยู่ที่ศีลธรรมผู้ใดมีศีลธรรมผู้นั้นจะเป็นผู้ที่สวยงามเป็นผู้ที่น่ารักน่าเคารพ น่าเริ่มใสหน่าคบค้าสมาคมด้วยเพราะว่าเป็นผู้ที่ไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนั่นเองแล้วยิ่งถ้าเป็นผู้ที่มีใจบุญชอบทำบุญให้ทานช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เรื่อยๆก็ยิ่งเป็นที่น่ารักน่าเคารพน่าประทับใจนี่คือความสำคัญของ ของของชีวิตเราก็คือความสวยงามที่ใจถ้าเราสวยงามที่ใจแล้วเราจะมีความสุขแล้วเราก็จะมีเพื่อนมากมีคนที่รักเรามากมีคนที่เคารพเรามากแต่ถ้าเราสวยที่ร่างกายแต่ใจไม่สวยนีเราจะเป็นที่รังเกียจของผู้อื่นจะไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคม อยากจะเข้าใกล้เพราะว่าเข้าแล้วมันมีแต่ความรู้สึกที่ไม่ดีนี่คือความสวยงามที่แท้จริงต้องสวยที่จิตใจเราจึงต้องมาทําบุญกันทําความดีกันทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเพื่อเราจะได้มีจิตใจที่สวยงาม แล้เราก็ต้องมารักษาสี่งกันลาเว้นจากการกระทาบาปเพราะการกระทำบาปนี้เป็นการกระทำที่ทำให้เกิดโทษแก่ผู้อื่นและเกิดโทษกับตนเองเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำทำไปแล้วจะไม่เป็นคนน่ารักม่น่าคบค้าสมาคมจะเป็นเหมือนกับ สัตว์ร้ายเช่นเสือสิง์กระทิงนแรดงูพิษต่างๆที่จะต้องถูกจับเข้าไปขังไว้ในกรงคนที่ไม่รักษาศีลคนที่ทำบาป ท, ทำกรรมก็เป็นเหมือนเดรัจฉานเป็นผู้ที่จะต้องถูกสังคมแยกออกไปอยู่ในที่อีกที่หนึ่งเพื่อไม่ให้มาสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ก็คือคุกตราดนี่ที่ไปของคนที่ไม่มีศีลของคนที่ไม่สวยงามดังนั้นเราจึงต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ศีลก็มีอยู่5ข้อด้วยกันคือหนึ่งละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดตัวเวณี ละเว้นจากการพูดปดโกหกหลอกลวงและและเว้นจากการเสพสุรายาเมาเพราะการกระทำเหล่านี้นำความเสียหายความเดือดรอ้อนให้แก่ผู้และทาให้ตนเองจะต้องได้รับโทษ ด, ด้วยทั้งในปัจจุบันและในอนาคตคือในภพชาติต่อไปในปัจจุบันก็จะเป็นที่รังเกียจ ของสังคมจะทำอะไรก็จะไม่มีใครอยากจะร่วมทากิจกรรมด้วยแล้วเวลาตายไปก็จะต้องไปใช้กรรมในอบายร่างกายตายไปแล้วแต่ใจยังไม่ตายใจยังมีบาปติดตัวไปก็ต้องไปเกิดในอบายเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสูรกายบ้าง ไปตกนรกบ้างขึ้นอยู่กับบาป ท, ที่ทําว่าทําด้วยเหตุผลอันใดถ้าทําบาปเพราะความไม่รู้ก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนี้เขาไม่รู้ว่าการฆ่าผู้อื่นนั้นเป็นบาปเขารู้เพียงแต่ว่าเป็นอาหารของเขาเวลาเข้าหิวเขาก็ต้องหาอาหารมารับประทานเขาก็จะไม่เคารบ ชีวิตของผู้เพราะความหิวของเขาทำให้เขาต้องฆ่าผู้เพื่อทำให้เขาอยู่รอดผู้ใดต้องทำบาปเพราะเพราะความไม่รู้ว่าเป็นบาปเพราะยังต้องรักษาชีวิตของตนผู้นั้นเมื่อตายไปก็จะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเช่นคนที่ทามาหากินกับสัต เช่นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค่าเป็ดค่าไก่ค่าวัวค่าควายค่าหมูอย่างนี้เป็นอาชีพตายไปก็จะต้องไปเป็นเดรกขับฉานเพราะว่าไม่รู้ว่ามีผลของบาปตามมาทําไปเพราะคิดว่าไม่ไม่เป็นอะไรทําไปเพราะว่าต้องดูแลรักษาชีวิตของตนให้อยู่รอดนี่คือการทําบาป ด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงก็จะต้องไปเกิดเป็นเดนรัจฉานถ้าทำบาปเพราะความโลภอยากได้มากๆอยากร่ำรวยอยากเป็นมหาเศรษฐีแต่ต้องทำด้วยการโกงผู้อื่นโกงภาษีโกงเวลาโกงอะไรต่างๆของผู้อื่นเพื่อตอนเองจะได้ร่ำรวยขึ้นมาหรือว่า ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อให้ตนเองร่ำรวยขึ้นมาอย่างนี้ตายไปก็จะต้องไปเกิดเป็นเปรตเพราะเปรตก็คือผู้ที่มีแต่ความโลภความอยากความหิวมีแต่ความต้องการไม่ชอบไม่อยากให้อะไรกับใครไม่ชอบทำบุญชอบชอบแต่หาทรัพสมบัติหาประโยชน์ใส่ตนโดยด้วยวิธีการต่างๆ ถ้าหามาโดยวิธีถูกกฎหมายถูกศีลธรรมไม่ได้ก็จะหามาด้วยวิธีที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมเมื่อตายไปก็จะต้องไปเกิดเป็นเปรตจะต้องไปรอรับส่วนบุญส่วนกุศลของญาติสนิทมิตรสหายเพราะในขณะที่มีชีวิตอยู่ไม่เคยสนใจกับการทาบุญให้ทานบัวแต่คิดอยากจะได้เพียงอย่างเดียว นี่คือที่ไปของผู้ที่ทำบาปด้วยความโลภส่วนผู้ที่ทำบาปด้วยความกลัวกลัวจะอดตายบ้างกลัวผู้อื่นจะทำมาทาร้ายตนเองบ้างก็เลยไปทำร้ายผู้อื่นเพื่อป้องกันตนไว้ก่อนพวกนี้ตายไปก็ต้องไปเป็นอสุรกายเป็นผีที่มีแต่ความหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลา กลัวเรื่องนั้นกลัวเรื่องนี้กลัวไปหมดทำให้อยู่ไม่เป็นสุขและพวกสุดท้ายคือพวกที่ทำบาปเพราะความโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทพวกนี้ตายไปจะต้องไปเกิดในนรกไปตกนรกเช่นพระเทวทัตนี้ทำบาปพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันเพราะความ อาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดพระพุทธเจ้าที่ไม่ส่งมอบอํานาจให้แก่พระเทวทัตให้เป็นผู้ปกครองสงฆ์ก็เลยเกิดความโกรธเกลียดพระพุทธเจ้าถึงพยายามปลงพระชนนถึงสามครั้งด้วยกันแต่บารมีของพระพุทธเจ้านี้สามารถคุ้มครองพระพุทธเจ้าไม่ให้รับภัยอันตรายจากการกระทําของเทวทัตได้ เทวทัศพอตายไปก็จะต้องไปเกิดใน ต, ต้องไปตกในนรกทั้งๆ ท, ที่เคยบวชมารักษาศีลมาทำความดีมามากมายแต่บาปกรรมที่ทำต่อพระพุทธเจ้านี้มีความรุนแรงกว่าการทำบุญการทำความดีมาจึงต้องไปใช้บาปกรรมในนรกก่อนแต่หลังจากที่พ้นออกจากนรกแล้ว พระพุทธเจ้าได้ทรงขยยากว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะได้ปฏิบัติธรรมและบรรลุเป็นพระประเจกกพระพุทธเจ้าตามลาดับต่อไปนี่คือเรื่องของการทำบาปด้วยเหตุผลต่างๆอบายจึงเป็นที่รับรับของผู้ทำบาปด้วยเหตุผลต่างๆ เดระชานก็เป็นที่ไปของผู้ที่ทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้เปรชก็เป็นที่ไปของผู้ทำด้วยความโลภอสุรกายก็เป็นที่ไปของผู้ที่ทำด้วยความกลัวแล้วกนรกก็คือที่ไปของผู้ที่มีความอาฆาตปยาบาท์เกียดแค้นจองเวรจองกรรมนี่คือเรื่องของผู้ที่ทำบา ที่ทำให้ต้องไปรับข้อกรรมทั้งในปัจจุบันและในอนาคตในปัจจบุปัจจุบันก็อาจจะต้องไปติดคุกติดจราหรืออาจจะถูกลงโทษถึงกับขั้นประหารชีวิตถ้าทำบาดด้วยความรุนแรงทำผิดกฎหมายอย่างรุนแรงแล้วก็ตายไปก็ต้องไปเกิดในอาบาตต่อไป ถ้าไม่ได้ติดคุบไม่ได้ติดตารางก็จะเป็นที่รังเกียจของสังคมจะไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมร่วมทำกิจกรรมด้วยเพราะจะถูกทำร้ายนั่นเองกลัวว่าจะถูกทำร้ายนี่คือความไม่สวยงามของจิตใจถ้าไม่รักษาศีลแล้วจะเป็นอย่างนี้ถ้ารักษาศีลแล้วก็จะเป็นที่รักชื่นชมยินดีของผู้ พออยู่กับใครก็จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้จะไม่ฆ่าผู้จะไม่เอาทรัพย์ของผู้จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้จะไม่โกหกหลอกลวงผู้จะไม่เสพสยายาเมาแล้วก็อาละวาดสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่ผู้พวกเราถ้าอยากจะมีความสวยงามทางจิตใจ เราก็ต้องรักษาศีลให้ได้อย่างทำบาปให้ทำบุญมากๆเช่นช่วยเหลือผู้อ่อย่างที่มีญาติโยมได้มาช่วยเหลือวัดมาทำความสว่างให้แก่วัดมาเช็ดกระจกเช็ดหน้าต่างมากวาดมาขัดพื้นมาทำอะไรต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นการเสริมสวยความงามทางจิตใจ ทำให้เป็นที่น่าชื่นชมยิน ด, ดีน่ารักน่าเลื่อมใสไม่เป็นไม่มีใครรังเกียจคนที่ทําความดีทําประโยชน์ให้แก่ผู้พวกเราทุกคนนี้ทําความดีได้ไม่จําเป็นจะต้องมีเงินมีทองถึงจะทําความดีได้ถ้าเราไม่พิกลพิการหูหนวกตาบอดแขนขาดขาขาดเราทําความดีทําบุญกันได้เราเสริมสวย ความสวยให้แก่ตัวเราได้ด้วยการทําความดีด้วยการไม่ทําบาปแล้วก็ด้วยการไม่โลภไม่โกรธไม่หลงถ้าเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วไปอยู่กับใครจะไม่มีใครรังเกียจความโลภโมโทสารนี้เป็นสิ่งที่น่าเกลียดไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้กับคนเจ้าอารมณ์ ทำอะไรนิดทำอะไรหน่อยก็เกิดความโมโหโทสัวขึ้นมาเห็นอะไรนิดเห็นอะไรหน่อยก็อยากจะได้ต้องไปแก่งแย่งชิงดีกับผู้อื่นอยู่เสมอคนที่จะละความโลภความโกรธอด้า น, นี้ต้องอาศัยธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าเช่นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราสากัดกั้นความโลภความอยากด้วยการ ด้วยด้วยความมากน้อยสามกคือให้เราอยากไปอยากได้มากๆให้เราได้อยากได้เท่าที่จําเป็นก็พอเช่นเสื้อผ้ามีสักสองสามชุดก็พอแล้วพออยู่ได้แล้วรองเท้าสักสองสามคู่ก็พอแล้วบ้านก็ไม่จําเป็นจะต้องมีราคาแพงๆบ้านขอให้เป็นที่หลบแดดหลบฝนได้พออยู่ได้ก็พอแล้ว ยารักษาโรค ก, ก็โกรักษาไปตามอัตภาพตามฐานะถ้าไม่มีเงินก็ไปรักษาตามโรงพยาบาลของรัฐบาลถ้ามีเงินก็ไปรักษาตามโรงพยาบาลเอกชนก็ทำไปได้ตามฐานะของตนอย่าโลภมากกว่าฐานะของตนอย่าอยากได้มากกว่าความสามารถของตนแล้วชีวิตของเราจะอยู่อย่างล่มเย็นเป็นสุข จะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนจะไม่ไปเบียดเบียนผยู้ขอให้เราใช้ความมักน้อยสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิดมีมากมีน้อยได้อะไรมาก็ขอให้มีความพอใจแล้วเราจะมีความสุขเพราะสิ่งที่เราได้มานี้มันก็ไม่ได้ทําให้เรามีความสุขมากเกินไปไม่ว่าเราจะได้ของที่ดีหรือของไม่ดีมา ถ้ามันสามารถทำหน้าที่ของมันได้ก็ถือว่าให้ความสุขกับเราได้แล้วเช่นเสื้อผ้าจะราคาเพียงไม่กี่บาทหรือเสื้อผ้าที่มีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนมันก็ทำหน้าที่เพื่อปกปิดอวัยวะรักษาร่างกายป้องกันไม่ให้อากาศหนาวเย็นมาทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นจะใส่เสื้อผ้าราคาถู ก, ถก หรือเสื้อผ้าราคาแพงๆมันก็ทำหน้าที่เท่ากันรักษาร่างกายให้อยู่ได้อย่างปกติสุขแล้วก็ความสวยงามก็ไม่ได้สวยอยู่ที่ความสวยงามที่เสื้อผ้า อ, าอ่อนความสวยงามของคนก็อย่างที่พูดอยู่ที่ใจอยู่ที่ความดีเช่นใจบุญสนทานเป็นผู้ที่ไม่ชอบรักไม่ชอบทำบาปผู้นี้ต่างหากที่จะเป็นผู้ที่สวยงาม ถ้าแต่งตัวด้วยเสื้อผาพรราคาแพงๆสวยงามที่ร่างกายแต่ใจไม่สวยงามนี้ก็จะไม่มีก็จะไม่เป็นที่ประทับใจอาจจะเป็นที่ประทับใจสําหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าจิตใจเป็นอย่างไรแต่คนที่รู้ว่าจิตใจเป็นอย่างไรแล้วความสวยงามของร่างกายนี้ไม่สามารถที่จะมาล้มล้างความไม่สวยงามของจิตใจไปได้ นี่คือเราเหตุสาเหตุที่เราจะต้องละความโลภเพราะความโลภนี้จะทำให้เราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเช่นเราโลภเราก็ต้องไปแก่งแย่งชิงดีกับผู้อื่นถ้าเราโลภมากๆเราก็อาจจะใช้วิชามารทำร้ายผู้อื่นเพื่อที่จะได้กาจัดคู่แข่งขันไปเพื่อเราจะได้สิ่งที่เราอยากได้มาอย่างง่ายดาย ทำอย่างนี้ก็จะทำให้เราเป็นคนน่าเกลียดไม่น่าไม่สวยงามแต่ถ้าเราเป็นคนที่มากน้อยสันโดษเราจะไม่มีปัญหากับใครเราจะยินดีกับสิ่งเล็กๆน้อยๆซึ่งเราก็สามารถหามาได้อย่างสบายอยู่แล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปแก่งแย่งชิงดีไปไปใช้วิชามาต่อสู้กับผู้ นี่คือการการใช้ธรรมะมาระงับขวางโลกก็คือให้ใช้มากน้อยสัมโดแล้วก็ถ้ามีปัญญาก็ให้ใช้ปัญญาปัญญาก็คือให้ถามตัวเองว่าเวลาเราอยากได้อะไรนั้นถ้าเราไม่ได้มาแล้วเราจะตายหรือไม่ถ้าเราไม่ตายอย่าเอามาดีกว่าเอามาก็ไม่ได้ทําอะไรให้ดีขึ้น ทำให้เราเหนื่อยไปเปล่าๆได้มาแล้วก็จะกลับกลายเป็นภาระที่จะต้องมาคอยดูแลรักษามาห่วงมาห่วงและเวลาสูญเสียไปก็จะต้องมาเศร้าสูกเสียใจสู้อยู่แบบไม่มีดีกว่าแล้วจะสบายใจไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องห่วงบ้านเพราะไม่มีอะไรในบ้านให้ขโมยขึ้นไปในบ้านคนที่มีสมบัติข้าวของเงินทองมากๆนี้ จะไปไหนแต่ละครั้งก็จะคอยวิตกกังวลว่ากลับมาแล้วข้าวของเงินทองต่างๆยังจะหลงเหลืออยู่ที่บ้านหรือเปล่าการมีของมากๆไม่ใช่จะทําให้เรามีความสุขแต่กลับจะทําให้เรามีความทุกข์ดังนั้นขอให้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงตามที่ในหลวงได้ทรงสั่งสอนคือให้พอมีพอกินพออยู่ก็พอแล้วอย่าไปเสียเวลา กับการหาทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองมาไร้ประโยชน์ใดเพราะไม่ได้ทำให้จิตใจมีความสุขมากขึ้นกับจะทำให้จิตใจมีความทุกข์มากขึ้นแล้วก็จะทำให้มีความโลภมากขึ้นอยากจะได้มากขึ้นก็อาจจะต้องก็งไปทำบาปทำกรรมเพื่อที่จะได้สิ่งที่ตนเองอยากได้ แต่ถ้ามีความมักน้อยสันโดษแล้วจะไม่ต้องไปทำบาป ท, ทำกรรมเพราะจะยินดีตามมีตามเกิดมีน้อยก็กพอใจมีมากก็พอใจก็จะไม่มีความจำเป็นไม่มีอะไรผักดําให้ไปต้องไปทำบาป ท, ทำกรรมทำผิดกฎหมายนี่คือเรื่องของการแก้ความโลภต้องแก้ด้วยความมักน้อยสันโดษต้องแก้ด้วยเหตุผล แล้วก็ให้เราคิดถึงว่าสร้างวันหนึ่งเราก็ต้องตายจากโลกนี้ไปทรัพย์สมบัติเข่าของเงินทองหามมาได้มากน้อยเพียงไรตายไปก็เอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวแล้วหามาทำไมหามาแล้วก็กลายเป็นสมบัติของผู้อื่นต่อไปส่วนตัวเองกับจะต้องไปใช้กรรมในอบายไปเกิดเป็นเปรตหรือไปตกนรกเพราะการหาเงินมาด้วยวิธี ไม่ชอบผิดศีลธรรมนี่เองดัง น, นั้นเราต้องระมัดระวังให้มากเรื่องของความโลภถ้าเราไม่คอยกําจัดมันคอยระงับมันมันจะพาเราไปสู่สู่ความเสียหายนะอย่างแน่นอนอเช่นพระเทวทัตเป็นตัวอย่างถึงแม้ได้บวชเป็นพระแล้วแต่ยังไม่สามารถยับยั้งความโลภที่ความอยากเป็นใหญ่เป็นโตได้ พอไม่ได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้ก็ต้องเก่อยควมอาฆาตปยายบาทเคียดแค้นถึงกับที่จะต้องไปฆ่าพรพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันแล้วผลก็คือจะต้องไปตกนรกต่อไปนี่คือการการชำระใจของเราให้สวยงามเราต้องชำระความโลภความโกรธก็เช่นเดียวกันความโกรธก็เป็นผลที่เกิดจากความโลภนี่เอง เวลาเราโลภแล้วไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้เราก็จะโกรธคนที่ขัดขวางเราเช่นเวลาเราอยากจะไปไหนมาไหนขออนุญาตขออนุญาตพ่อแม่พ่อแม่ไม่ให้ไปก็จะโกรธพ่อโกรธแม่ขึ้นมาทันทีทําให้กลายเป็นคนเน ร, รคุณไปเริมลูนขุนของพ่อแม่ไปได้ทั้งทั้งที่พ่อแม่ห้ามเพื่อๆ พ, พ่อเพราะที่เพรารักกลัวว่ า, าไปแล้วจะเกิดความเสียหาย กลัวว่าไปแล้วกลัวว่าจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวกลับมาก็ห้ามไม่ให้ไปแต่ถ้ามีความโลภอยากไปมากๆก็จะโกรธพ่อโกรธแม่ ท, ทันทีแล้วถ้าไม่ละมั่นระวังก็อาจจะคิดทำร้ายพ่อทำร้ายแม่ได้แต่ถ้าเราไม่โลภแล้วเราก็จะไม่ไม่โกรธใครแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเราโกรธเราก็ต้องใช้ใช้ความเมตตามาดับความโกรธ ความเมตตาก็คือการให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองต่อผู้ที่ทาความรู้สึกที่ไม่ดีกับตนที่ทำให้ตัวเองต้องโกรธขึ้นมาหรือให้คิดว่าเป็นการใช้เวรใช้กรรมกันเคยก็อาจจะเคยไปทาบาป ท, ทำกรรมมากับเขาเป็นคู่เวรคู่กรรมกันมาเขาจึงมักจะมาทำอะไรให้เราเกิดความโกรธขึ้นมา แต่ถ้าเราอยากจะให้เวรกรรมมันหมดไปเราก็ต้องไม่จองเวรกรรมถ้าเราจองเวรเวรนั้นก็จะยืดต่อไปก็จะมีเวรมีกรรมต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราให้อาภัยได้ไม่จองเวรจองกรรมได้เราก็จะหายโกรธได้หรืออีกวิธีนึงก็คือทำใจให้สงบเวลาที่โกรธก็อย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธ ให้สวดมนต์ไปภายในใจสวดอาลาหังสัมมาสวาคาโตสุปปกิปันโนหรือให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธหรือคนที่ทำให้เราโกรธเดี๋ยวความโกรธก็จะหายไปแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปทำความเสียหายให้แก่ผู้ไปสร้างเวรสร้างกรรมแล้วก็ต้องไปรับข้อกรรมต่อไป ถ้าเราลงับความโกรธไม่ได้เช่นเราไปฆ่าผู้เราก็ต้องอยู่แบบหลบหลบซ่อนๆอนอยู่อย่างหวาดระววงเวลาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ก่อยความทุกอย่างมากทั้งๆ ท, ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไม่ได้มาตามจับเราเพราะเขาไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรมาก็ตามแต่ถ้าถูกจับก็ต้องถูกจับไปขังคุกขังตะรา หรือจับไปลงโทษประหารชีวิตแต่ถ้าเราให้อาภัยได้หรือทำใจให้สงบได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธหรือคนที่ทำให้เราโกรธเราก็จะไม่ต้องไปทำบาป ท, ทำกรรมถ้าเราอยากจะไม่ให้มีความโลภอยากจะไม่ให้มีความโกรธเลยเราก็ต้องแก้ต้นเหตุของความโลภของความโกรธนั่นก็คือความหลง ความหลงคืออะไรก็คือความเห็นผิดเป็นชอบเห็นโกงจากเป็นดอกบัวนั่นเองเห็นว่าเห็นทุกว่าเป็นสุขเช่นว่าอะไรเป็นทุกพระพุทธเจ้าบอกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกขไม่มีอะไรเป็นความสุขที่แท้จริงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดมีดับเวลาได้มาก็เป็นความสุขเวลาสูญเสียไปก็จะกลายเป็นความทุกข์ถ้าเรา ไม่อยากจะมีความทุกข์เราก็อยากไปอยากได้อะไรถ้าเราเห็นความจริงว่าโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองหรือบุคคลต่างๆล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้น <c oughs> เพราะเขาไม่เที่ยงเขามีเกิด ม, มีดับไปเป็นธรรมดา <c oughs> ถ้าเราเห็นความจริงอันนี้เราก็จะไม่หลงจะไม่โลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะรู้ว่าเป็นการเอายาพิษมาใส่ตัวเอง อยู่เฉยทําใจให้สงบไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจะมีความสุขมากกว่ามีสมบัติกองเท่าภูเขานี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดเจนี้แล้วนำม า, มามสั่งสอนให้พวกเราพระองค์ได้ทรงทําเป็นตัวอย่างมีสมบัติเป็นถึงราชคูมาก็ทรงสละราชสมบัติเพื่อมาตัดกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงพอชําระ ทำลายความโลภความโกรธความหลงหมดไปแล้วใจก็มีแต่ความสุขสุขมากกว่าสมัยที่อยู่ในพระราชวังพระองค์จึงไม่เคยคิดที่จะกลับไปในพระราชวังอีกต่อไปเพราะได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่ถาวรนั่นก็คือความสุขที่เกิดจากการทาความดีทาบุญจากการละบาปและจากการทาลายความโลภความโกรธความหลง ให้หมดไปจากพอไทยของพ่อนี่คือวิธีที่จะแก้วความโลภความโกรธได้อย่างถาวรต้องปฏิบัติทำต้องศึกษาพระธรรมคำสอนและเชื่อข้อพุทธทททเจ้าทำตามที่พระเจ้าทรงสอนให้เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์อยาาก็อยากได้อะไรแล้วเราจะได้กับได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบนี่เอง จึงขอฝากเรื่องของการเสรมสวยความงามให้แก่ชีวิตของตนด้วยการมาทำบุญมาละบาปและมาชำระจิตใจให้สะอาดบรยสุดนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิปจาิารและปฏิบัติเพื่อความสวยงามของจิตใจที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณภาษีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นตัจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวักสุขภาละโดยทั่วหน้าการเธอ